นะแล้วก็จะเริ่มมีความสุขที่ได้อยู่กุตินะอาจจะเพะลิรักกุตินั้นเลยได้ซ้ํำนะพอเพลิรักแล้วเนี่ยก็อาจจะกลายว่าติดในกุตินะอันนี้ก็เป็นปัญหาแล้วนะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยนะก็พยายามที่จะรู้เท่าทัน้ความคิดที่ชอบวิภาวิจารณที่ชอบตําหนินะไอ้สิ่งที่ตัวเองมีอนะปลูกใจของเราให้ยินดีใน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 เมื่อกี้เราสุดนะมงค์ของเราสวดเนี่ยการครบการไม่คบคนพานนะการครบบัณฑิตหรือคนดีเนี่ยข้อนี้เป็นมงค์คอันสูงสุดอันทาเลือกคู่ไม่ดีนะอันนี้ก็ไม่ต่าจากการไปคบคนพานนะและเหตุที่ไม่ใช่แค่เลือกนะแต่ว่าเอาตัวไปจมอยู่กับเขาเนี่ยเพราะว่ากลัวเหงานะกลัวอยู่คนเดียวทนอยู่คนเดียวไม่ได้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 แต่ว่าจะหนักกว่านั้นคือเป็นเหยื่อของมัจจุมานก็คือพอกินเหล้าแล้วทางสะดวกทางาดีขับรถได้เร็วก็ตายนะอายุแค่ยี่สิบสิบเก้าก็ตายนะไม่ทันจะได้ทําความดีไม่ทันจะได้บวชตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ก็ตายซะและ้วอันนี้เรียกว่าเป็นเหยื่อของมัจจุมาลนะลองสังเกต ด, ดูในชีวิตเนี่ยไอความสะดวกสบายเนี่ยนะ